5. ปุคละเสวะกถินัฐาระว่าด้วยบุคคลกรานกถินเท่านั้น414ถามสงกรานกถินคณะกรานกถินบุคคลกรานกถินหรือตอบสงหาได้กรานกถินไม่คณะหาได้กรานกถินไม่แต่บุคคลกรานกถิน หากสงหาได้กรานกถินไม่คณะหาได้กรานกถินไม่แต่บุคคลกรานกถินจึงชื่อว่าสงไม่ได้กรานกถินคณะไม่ได้กรานกถินแต่บุคคลกรานกถินถามสงสวด ป, ปาติโมกคณะสวดปาติโมกบุคคลสวดปาติโมกหรือตอบสงหาได้สวดปาติโมกไมมคณะ หาได้สวดปาติโมกไม่แต่บุคคลสวดปาติโมกหากสงหาได้สวดปาติโมกไม่คณะหาได้สวดปาติโมกไม่แต่บุคคลสวดปาติโมกจึงชื่อว่าสงไม่ได้สวดปาติโมกคณะไม่ได้สวดปาติโมกแต่บุคคลสวดปาติโมกเพราะความสามัคคีแห่งสงเพราะความสามัคคีแห่งคณะ เพราะบุคคลสวดจึงชื่อว่าสงสวดปาติโมกคณะสวดปาติโมกบุคคลสวดปาติโมกสงจึงหาได้กรานกถินไม่คณะหาได้กรานกถินไม่แต่บุคคลกรานกถินด้วยอาการอย่างนี้แหลเพราะสง์อนุโมทนาเพราะคณะอนุโมทนาเพราะบุคคลกรานจึงชื่อว่าสงกรานกถิน คณะกรานกะถินบุคคลกรานกะถิน